และได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาเขาพูดไปธรรมดาในฐานะคุ้นเคยกันทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเองมันคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ขรัวตาต้องรางวัดรางวาหนีไปเช่นั้นเรื่องของขลัวตาเป็นเรื่องสำคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะซ้ารอยเขาอีกหากไม่สนใจคิดไว้ก่อน